ก็ขออนุโมทนาพวกเรา่ต่อไปพูดถึงในเรื่องของการลำดับนะลำดับบุคคลที่ควรจเจริญเมตตาพระวานก็ได้พูดในเรื่องของว่าเมื่อผู้ปฏิบัติทราบถึงโทษของโทสะและอนิสงส์ของขันติตลอดถึงบุคคลที่เป็นโทษต่อการจเจริญเมตตาแล้วเนี่ย ลำดับต่อไปก็ต้องทราบลำดับของบุคคลที่ควรเจริญเมตตา5 5าหาลำดับนะหนลำดับที่1ก็คือการเจริญเมตตาไปในตนเองลำดับที่2การเจริญเมตตาไปในบุคคลนันเป็นที่รักที่เคารพลำดับที่3ก็การเจริญเมตตาไปในเพื่อนผู้เป็นที่รักยิ่งลำดับที่4ก็คือการเจริญเมตตาไปในบุคคลที่เป็นกลางๆลำดับที่ห ก็คือการเจริญเมตตาไปในบุคคลที่เป็นศัตรูต่อกันเนี่ยอันนี้ท่านจะเริ่มตั้งแต่ง่ายไปหายากนั่นคือเป็นหลักในเรื่องการเจริญเมตตาในลาดับแรกเนี่ยการเริ่มเจริญเมตตาที่ได้พูดไปเมื่อครั้งที่แล้วก็คือการเจริญเมตตาไปให้กับตนเองเซ้ำแล้วซ้ำเล่าร้อยครั้งพันครั้งไล่ไปตามลาดับ ฝึกเจริญเมตตาให้ตนเองจนจิตของตนเองจะอ่อนโยนและก็เหมาะควรแก่การงานเพราะโดยส่วนใหญ่ก็คือจิตของเราเนี่ยจะแข็งกระด้างเยอะฉะนั้นการเจริญเมตตาเพื่อจะได้สักขีพยายนแก่การเจริญไปยังบุคคลอื่นได้ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะเข้าใจตนเองให้ท่องแท้บุคคลนั้นก็ไม่สามารถที่จะเจริญเมตตาไปหาบุคคลอื่นได้เป็นต้น โดยสรุปประเด็นก็คือว่าความปรารถนาสุขความกลัวต่อความทุกข์ความเป็นผู้อยากมีอายุยืนไม่อยากตายเนี่ยซึ่งมันเป็นไปกับคนทุกคนก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้จนสามารถทราบอย่างลึกซึ้งในสภาพจิตใจตัเองว่าตนเองเป็นคนที่รักสุขเกียดทุกข์เป็นต้นหรอเนี่ยแล้วก็มีคําภาวนาคําภาวนาในใจกันนี้ก็คืออาหารสกิโตโหมีนิทุทโหน ขอให้เข้าไปเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขอย่าได้มีความทุกเลยเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือความปรารถนาให้ตนเองเนี่ยเข้าถึงความสุขที่แท้จริงขอให้เข้าไปเจ้าจงเป็นผู้อย่ามีเวรนะไม่มีเวรต่อใครๆเลย ขอให้ข้าพเจ้า่าได้มีความพยาบาทอาฆาตปองร้ายขอให้ข้าพเจ้าจะได้มีความทุกข์กายทุกใจขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนในพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยในหลักการตรงนี้ก็คือการเจริญเมตตาให้กับตนเองให้มีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทรจนรู้สึกว่าตั้งเจตเจตนาลมว่าตนเองจะไม่ฆ่าจะไม่เบียดเบียนใครจกไม่รัก จะไม่นาําพากระแสชีวิตไปลักทรัพย์ของบุคคลอื่นไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและจะไม่นํากระแสชีวิตไปพากบุตรพากภรรยาของบุคคลอื่นเวลาจะกล่าวก็กล่าวแต่คําสัตย์กล่าวคําที่เป็นกล่าวคําจริงกล่าวคําที่เป็นประโยชน์กล่าวถูกกาลกล่าวที่เป็นไปกับเมตตาอย่างนี้เป็นต้นการที่ไม่ใช้วาจาประทุสร้ายใครไม่ไปก่อเวรแก้ไขเนี่ยชื่ออลักตนและสภาพจิตใจก็เหมือนกัน จะไม่มีอาฆาตพยาบาทปองร้ายแก่ใคร ๆ, ๆแล้วก็จะฝึกฝนตนเองดาเนินกระแสะชีวิตของตนเองเป็นเดินไปตามศีลสมาธิปัญญาให้พ้นจากอุปสรรคและอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้ได้การคิดการพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เนะี่ยอย่างนี้นี่แหละที่เขาเรียกว่าเป็นการเจริญเมตตาให้กับตนเองอย่างท่องแท้ทีนี้ในคัมภีรวิพังท่านก็กล่าวไว้บอกว่า การเจริญเมตตาเนี่ยให้กับตนเองก่อนแล้วเนี่ยเมื่อจนเกิดความทราบซึ้งในใจอย่างท่องแท้แล้วจึงค่อยเจริญเมตตาให้กับบุคคลอื่นถามว่าเมื่อถือเอาตามลำดับอย่างเนี้ถามว่าเป็นการผิดพระบาลีที่พระเา้ตรัสไว้หรือไม่ว่าทําไมต้องเจริญเมตตาให้ตนเองก่อนเนี่ยเช่นคำผีพิพังก็บอกว่าภิกษุผู้มีจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไม่ตีจิตไปตลอดทิศหนึ่งอยู่นั้นหมดถึงอย่างไรบอกว่า หมายถึงภิกษุผู้มีจิตประกอบด้วยเมตตานั้นแผ่เมตตาไปยังสัตว์ทุกจำพวก mm. เหมือนกับที่ได้เห็นคนอื่น mm. ผู้รักใคร่ชอบพอกันแล้วก็จะเกิดเมตตารักใคร่ขึ้นมาฉะนั้นอันนี้ก็ได้กระี่พังนส่วนในปฏิสามพิธามักก็จะกล่าวบอกเมตตาเจโตมุตที่แผ่ไปโดยไม่จอดจงบุคคลโดยการห้าอย่างนั้นมีบทภาวนาขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความทุกข์จงมีความสุขบริหารตนเถิดอย่างนี้เป็นต้นส่วนในกรณีเมตสูตรก็จะบอกว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้มีความสุขถึงความกเกษมสำลาญจงมีตนเป็นสุขเถิดถามว่าจากพระบาลีในคำพีต่างๆเนี่ยแม้พระเจ้ามิได้ตรัสถึงการเจริญเมตตา ให้กับตนไว้เลยก็ไม่ได้หมายความว่าการเจริญเมตตาไปในตนนั่นเองผิดนะไม่ใช่อย่างนั้นความจริงผู้ปฏิบัติต้องยกเอาตนเองขึ้นมาเป็นสักขีพยานก่อนถึงแม้เราจะไปเจอในพระบาลีเจอในคัมภีร์ทั้งหลายเหล่านี้จะพูดเน้นการแผ่เมตตาไปกับคนอื่นก็จริงอยู่แต่สัตว์ทั้งหลายทุกชนิดเนี่ยย่อมปรารถนาความสุขให้แก่ตนเองก็คือรักสุขเกีรติทุกข์ดังนั้นเราจึงต้องช่วยบรรเทาทุก บำรุงสุขให้แก่สัตว์ทั้งหลายเหมือนการทําให้กับตนเองในประการคำพิสุท ธ, ธิมารก์กกล่าวว่าความจริงแล้วเนี่ยการเจริญเมตตาไปในตนเองก่อนมิได้ไมิได้คาดเคลื่อนเลยแม้แต่ น, น้อยเพราะเหตุไรเพราะว่าในคัำพิ์ต่างๆซึ่งท่านแสดงในการแผ่เมตตาไปบุคคลอื่นทั้งนั้นเนี่ยมิได้แสดงการแผ่ไปนตนเองเลยนะั้นท่านมุ่งแสดงถึงวิธีการเจริญเมตตาภาวนาที่จะให้สำเร็จผลหรือสําเร็จผลเป็นอัปนาสมาธิ แต่อย่างเดียวส่วนที่ว่าต้องการเจริญเมตตาตนเองเป็นระดับแรกในทีนี้มุ่งหมายเอาวิธีการเจริญเมตตาภาวนาครั้งแรกซึ่งมันต่างกันอย่างนี้ฉะนั้นการแผ่เมตตาให้กับบุคคลอื่นในคัมภี์ต่างๆนะั้ะท่านขับเน้นว่าจะต้องฝึกในการเจริญเมตตาเพื่อให้จิตนั้นเข้าถึงความแนบแน่นเข้าถึงความไม่มีประมาณเข้าถึงความตั้งมั่นเข้าถึงความอ่อนโยน เียสะอาดของแผ้วเป็นต้นแต่จริงๆหลักการเนี่ยในพระเจ้าตรัสว่าบัณฑิตได้คิดค้นคว้าดูไปแล้วทั่วทุกสาทุกทิศแล้วพระเจ้าตรัสเองเนะว่าท่านใช้ปัญญาพิจารณาไปทั่วตลอดทุกทิศทั้งทิศเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกทิศเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องล่างพิจารณาเป็นในสักการะทั้งิ้นแล้วไม่ได้เห็นคนอื่นใดๆหน้าที่ไหนที่จะเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของตน ตนเป็นที่รักอย่างยิ่งรักอื่นเสมอโดยตนไม่มีนั้นตนีย่อมเป็นที่รักอย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนคนอื่นแม้ที่สุดมดและปลวกก็ไม่ควรจะไปเบียดเบียนเพราะการไปเบียดเบียนบุคคลอื่นเชื่อว่าเป็นการทำกรรมอันหยาบช้าไอ้การรมอันหยาบช้านั้นจะทำให้ตนเองนั้นประสบความทุกข์สรุปก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรง ให้ความสําคัญกับตนเองในฐานะที่ตนเองเป็นที่รักอย่างยิ่งเป็นที่รักของตนเองตนเองรักสุขเปียดทุกอยากเป็นอยู่ไม่อยากตายตนของบุคคลอื่นก็เป็นที่รักของเขาคนอื่นเขาก็รักเขาเหมือนกันมีความปรารถนาเหมือนเหมือนกันดังนั้นการแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนปรารถนาให้ตนเองเนี่ยมีความสุขเป็นการกระทําตนที่เป็นสกีพยาน เป็นการกระทำจิตให้อ่อนโยนเป็นการกระทำจิตให้สะอาดเอี่ยมอ่องฟ่องแผ้วให้ควรก่อการงานคือให้เหบะต่อการที่เอาไปใช้งานในการที่จะเจริญแผ่ให้กับบุคคลอื่นเพื่อที่จะเจริญเมตตาไปในบุคคลอื่นได้สะดวกยิ่งขึ้นถือเป็นการกระทำที่สมควรและก็เหมาะสมและก็มีเหตุผลซึ่งไม่ถือว่าเป็นการผิดพุทธประสงค์แต่ประการใดในอภิธรรมมัจจสังขะท่านอธิบาย บ, ายบอกว่าการแผ่เมตตาที่จะให้ได้อปินาชา น, นั้นจะต้องแผ่ให้แก่ตนเองก่อน เพื่อประโยชน์ที่จะเป็นสักขีพยานแก่การแผ่ไปในบุคคลอื่นๆทั้งนี้เพราะความรักสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือรักอื่นเสมอด้วยกับตนเองนะไม่มีตนเองเป็นที่รักอย่างยิ่งด้วยอาการอย่างนี้ถ้าเรามองนี้ก็จะเห็นชัดนะว่าบางครั้งเนี่ยพ่อแม่บอกว่ารักลูกมากกว่าตนเองบางทีเราก็บอกว่าเรารักแฟนหรือภรรยามากกว่าตนเอง ในความคำพูดในลักษณะอย่างนี้ไม่จริงเลยแต่ถ า, ถามว่าพ่อแม่เนะี่ยอยากให้ลูกตายก่อนหรือตัวเองตายก่อนอยากให้ตัวเองตายก่อนอ่ะทำไมต้องเป็นอย่างนั้นบอกว่าถ้าถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าหากลูกตายก่อนคนที่ทุกข์ใจก็คือพ่อแม่แต่ถ้าตัวเองตายก่อนเนี่ยแปลว่าอะไรเออก็คือว่าเนี่ยเหมือนการปัดภาระไปให้ลูกนั่นเอง นั่นจริงๆเ่ะความละเอียดอ่อนตรงนี้เราอยากให้ลูกทำอย่างที่ใจเราชอบใจเราปรารถนาถ้าลูกไปทำสิ่งที่ขัดเคืองใจเราหรือไม่ไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาคนที่ทุกข์ก็คือเราเราไม่ปรารถนาตนเองทุกข์เราก็เลยบอกว่าเรารักคนอื่นมากแท้ที่จริงนี่เป็นความสลับซับซ้อนของกิเลสที่มีความผูกพันยึดมั่นในตนเองอย่างสูงก็เลยเอาตอนเองเป็นที่ตั้ง เอาตอนเองเป็นที่ตั้งเอาตอนเองเป็นใหญ่นั้นการที่จะทําตนเองให้เป็นสักขีพยานเป็นการการะทําจิตให้อ่อนเหมาะแก่ควรต่การงานและสะดวกในการที่จะเจริญเมตตาได้ดีขึ้นการแผ่เมตตาที่จะให้ได้อภนณา น, นั้นจะต้องแผ่เมตตาตนเองก่อนเพื่อประโยชน์ที่จะเป็นสักขีพยานแก่การแผ่เมตตาไปในบุคคลอื่นๆได้ทั้งนี้เพราะว่าความรักอื่นเสมอด้วยกับตนเองไม่มี แล้วก็นึกเปรียบเทียบไปในสัตว์ทั้งหลายว่าล้วนมีความปรารถนาเช่นเดียวกับตนทุกประการอย่างนี้แหละเป็นเหตุสําคัญที่จะช่วยให้เมตตาจิตนั้เกิดขึ้นเองง่ายนะแล้วตั้งอยู่อย่างมั่นคงตลอดถึงอุปจารสมาธิคือสมาธิที่เฉียดหรือใกล้ต่ออัปปนาแล้วก็พัฒนาไปถึงอัปปนาสมาธิเป็นต้นได้อย่างนี้เป็นต้นนี่เราดับเป็นการแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนเนี่ยเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ ลำดับที่สองเมื่อหลังจากแผ่เมตตาตนเองจนจิตนั้นเหมาะควรต่อการงานแล้วเนี่ยก็คือการแผ่เมตตาไปยังคนที่เรารักที่เราเคารพเมื่อผู้ปฏิบัติได้เจริญเมตตาไปในตนเพื่อให้สําเร็จเป็นสกีพยานเป็ น, นันดับแรกด้วยภาวนาวิธีดังแสดงมาแล้วเนี่อลำดับต่อไปก็ต้องเจริญเมตตาไปในบุคคลที่เรารักที่เราเคารพเช่นครูบาอาจารย์พ่อแม่เนี่ยนะ ก่อนจะเจริญเมตตาไปในบุคคลที่เรารักเคารพนั้นเพื่อที่จะพยุงเมตตาให้เกิดขึ้นโดยง่ายผู้ปฏิบัติก็ต้องระลึกถึงคุณธรรมหรือคุณความดีอันเป็นเหตุชวนให้เกิดความรักชวนให้เกิดความเคารพเช่นการให้ทานการเจรจาเพลาะหรือการระลึกถึงคุณธรรมอันชวนให้เกิดความเคารพและความสรรเสริญเช่นความเป็นคนมีมรนญาติงามการเป็นคนมีความรู้กว้างขวางความเป็นผู้มีศีลความเป็นผู้มีศรัทธา ในพระตานาตรายัยความเป็นผู้มีความเพียรความเป็นผู้มีสติความเป็นผู้มีสมาธิความเป็นผู้มีปัญญาของบุคคลที่เรารเคารพ บ, บุคคลที่เรารักก่อนการระลึกเจาะไปที่คุณธรรมอย่างนี้นี่แหละเพื่อให้ระลึกถึงคุณธรรมคุณความดีต่างๆตรงนั้นที่จะเป็นเหตุให้เกิดความพอใจแล้วต่อจากนั้นจะได้เจริญเมตตาไปในบุคคลที่เราเคารพและบุคคลที่เรารักเป็นต้นบาลีท่านจะใช้คําว่าเอสสัปุริโสสุขีโตโหตุ นิททุกโขขอท่านผู้เป็นสัตว์บรุษจงเป็นผู้มีความสุขเถิดจงอย่าได้มีความทุกข์เลยนะบอกบอกถึงว่าสัตว์บรุษเนี่ยแปลว่าบุคคลที่เราเคารพในฐานะเป็นครูอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นหรือเราอาจจะไม่ใช้ภาษาบาลีนี่ก็ได้ใช้เป็นครูอาจารย์เป็นพ่อแม่หรือเป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในฐานะที่เราเคารพบอกว่าท่านผู้เป็นสัตว์บรุษทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขนะแต่คำว่าจงเป็นผู้มีความสุขเนี่ย ก็คือว่าขอให้ท่านเนี่ยมีความสุขทั้งด้านของตั้งมั่นในศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเลยนี้จงอย่าได้มีความทุกข์เอสาสปุริโสอเวโรอัพยาปโชอานีโคสุขียตานางังปริหารันโตเนี่ยนี่รวมเลยนะขอให้ท่านผู้เป็นสัตว์ปรุษทั้งหลายจงอย่าได้มีเวรต่อใครๆเลยหรืออย่าได้เวรต่อใครเลยก็หมายความว่า ขอให้ท่านทั้งสัตว์ปุรุษทั้งหลายยอย่าได้ไปฆ่าอย่าได้ไปรักอย่าได้ไปผู้พิจิดในการมอย่าได้ไปบีเบียดเบียนว่งเถอะจงอย่ า, ไ ด, ไ, ยา ไ, ดได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตในใด้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงการที่เราคิดด้วยความเพียรพยายามซ้ําแล้วซ้ําเล่าร้อยครั้งพันครั้งจนกว่าจิตจะเป็นสมาธิที่ประกอบไปด้วยเมตตาจนกว่าจะบรรลุอัปปนาเนี่ยเมตตาก็จะบังเกิดขึ้น ในการแผ่เมตตาให้กับบุคคลที่เราเคารพเคารพเนี่ยคือโดยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยทำกันเป็นกิจจาลักษณะถ้าทำจริงๆแล้วนะโอ้โหเมตตาเนี่อยู่ไม่ได้เกิดแนบแน่นพ่องแผ้วแล้วก็ชานี้ชำนานแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็อยู่อย่างฟั่นเฟือนและเลื่อนหลงปล่อยใจไปวันวันวันเนี่ยจิตก็เลยอ่อนแอไม่มีพลังท่า น, นถ้าต้องการให้จิตมีพลังก็เอาเลย ฝึกไปเลยนในวิธการที่จะแผ่เมตตาเหล่านี้ไปให้กับสับปรุษทั้งหลายบุคคลที่เขาเคารพ บ, บุคคลที่เรารักให้พิจารณาถึงคุณธรรมของท่านคุณความดีของท่านไม่ว่าจะด้านศีลด้านมรญญาด้านทานกุศลที่ท่านทําสิ่งดีๆงามๆทั้งหลายเหล่านี้คือเป็นคนฉลาดในการที่จะเจาะพฤติกรรมที่ท่านแสดงออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยหรือสภาพจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปได้วยคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ ก็ปราถนาให้ท่านมีความสุขปราถนาให้ท่านอย่าได้มีเวรต่อใครๆเลยปราถนาให้ท่านอย่าได้มีอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตปองร้ายเบียดเบียนซึ่งใครๆเลยปราถนาให้ท่านอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจแล้วก็ให้ท่านมีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้ท่านดําเนินตามศีลสมาธิปัญญาดําเนินตามสติปัฏฐ า, านสมปทานอิทธิบาทอินทรพราพโธชงอริยมรรคเนี่ยทำตนเองให้พ้นจากอบายภายัยอบายทุกข์ เข้าถึงสันติสุขก็คือพระนิพพานเนี่ยการพ้นจากกิเลสและกองทุกโดยสะดวกโดยเร็วให้ผ่านพ้นอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเป็นต้นนะเนี่ยการคิดในลักษณะอย่างนี้เป็นการเจาะเป็นการมองไปที่บุคคลที่เป็นสัตว์รุษทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้นี่ก็ระดับที่2ถ้าทําอย่างนี้แล้วเนี่ยสภาพจิตใจก็จะดิ่งแล้วก็แนบแน่นแนบชิด ติดกับเมตต า, านั้นก็ระลึกถึงคุณธรรมของท่านเหล่านั้นเบ็ดเสร็จแล้วก็จะระลึกระลึกแล้วระลึกอีกระลึกแล้วระลึกอีกโอหตอนนี้จิตก็จะอ่อนโยนไปเรื่อยเรื่อยเืเืื เ, เ, เ, เ, เมตตาเกิดไหมเมตตาก็จะเกิดมีความรักความปรารถนาดีความเอื้ออาจริจริงๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่เคยฝึกนั่นเองถ้าฝึกจริงๆโอ้เกิดดีมากเลยนี่ประการที่2องขั้นตอนยังไงก็ไปทํากันนะ ประการต่อมาคือลำดับที่3การเจริญเมตตาไปในเพื่อนนะผู้เป็นที่รักเป็นผู้ทีนี้เมื่อผู้ปฏิบัติเจริญเมตตาไปในบุคคลที่เป็นที่เคารพรักแล้วย่อมสา ม, มารถบรรลุอัปปนาคือจิตที่แนบแน่นเป็นฌานสมาบัติผู้ปฏิบัตินั้นก็ไม่ควรพอใจหยุดอยู่ด้วยเหตุที่ได้บรรลุความสำเร็จเพียงเท่านี้ต้องขวนขวายในอารมณ์อื่นอีก เพื่อจะได้ให้อันปนาจิตหรือสมาธิเนี่ยเข้าถึงความแนบแน่นไปในกว้างขวางในบุคคลทุกกลุ่มทุกจําพวกไม่ใช่ว่าไปกว้างขวางแต่เฉพาะแนบแน่นเฉพาะแต่ตนเองมีเมตตาแต่เฉพาะตนเองนอกไปหาบุคคลที่เรารักเราเคารพ ก, ก็สามารถทําจิตให้แนบแน่นดื่มดําในสภาพจิตที่เป็นเมตตาได้ด้วยและในขณะเดียวกันก็ต้องแผ่ไปในเพื่อนอันเป็นที่รักด้วย ทีนี้ในการปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติได้เจริญเมตตาในบุคคลที่เรารเคารพเคารพแล้จิตใจนั้นก็อ่อนโยนควรอย่างนั้นถัดจากนั้นก็คมจิตที่มีภาวะของความรักมากในบุคคลที่เรารักเคารพให้ลดลงให้ลดลงหน่อยตั้งอยู่ในภาวะที่เป็นความรักอย่างธรรมดาแล้วก็เจริญเมตตาไปในเพื่อนผู้เป็นที่รักยิ่งต่อไปในการภาวนาเลยนี่ น, นี่อันนี้แหละปกติเวลาเราแผ่ให้กับคนที่เราเคารพนี่แผ่ง่าย แผงง่ายนะแต่ถ้าหากแผงให้กับคนที่เราเป็นเพื่อนเนี่ยก็จะยากหน่อยทีต่ตรงเนี้ยก็จะต้องเปลี่ยนเนลดทนลงมานิดหนึ่งลดทนแห่งความเคารพความรักยิ่งให้ลงมาให้อยู่ในระดับปกติแล้วก็แผ่ฝึกแผ่ เอสาอติปิยสหายโกสุกิโตโหตุนิทุโขขอเพื่อนที่รักยิ่งนั้นจงมีความสุขเถิดจงอย่ามีความทุกข์เลยนี่แผ่ไปให้เพื่อนแล้วแผ่ไปให้สหายเอสะอติปิยสหายโกอเวโรอัพยาปโชอานีโคสกีอยตานางบริหารตุขอเพื่อนที่รักยิ่งจงอย่ามีเวรต่อใครๆเลย ขอเพื่อนที่รักยิ่งจงอย่าได้มีความเบียดเบียนขอเพื่อนที่รักยิ่งจงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยขอเพื่อนที่เป็นที่รักยิ่งจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนในพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิดปิยามีอติปิยาสาโยโกก็ไดลยปิยามสุกิตตาหัวตุก็ไเ้เพื่อเนอี่ยแพรให้กับเพื่อนแพ้คนที่เรารักเพื่อนละมิตรละสหาย ทั้งหมดเล่านี้ก็คือสามารถที่จะเลิกถึงคุณธรรมของมิตรของเพื่อนที่เรารักเนะี่ยพอราเลิกไปแล้วเนี่ยจะแผ่ใจจะน้อมไปได้ง่ายนึกถึงความดีนึกถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แล้วจิตก็จะผ่องแผ้วได้สะดวกขึ้นมองออกนะนี่เป็ น, นแผ่ซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกจนบรรลุอัปนาได้เนี่ยสามารถทําอัปนาให้เกิดขึ้นได้เลยแต่ยังพวกเราที่ไปฝึกกันจริงๆก็เนี่ยแผ่กันไปเรื่อยๆแผ่ปๆๆๆ เนี่ยไมทตาได้บรรลุอะไรแค่เท่าไหรหรอกแพลเพื่อให้ได้แผลก็ผลกัเลยไม่ค่อยได้มากเนี่ยสรุปแล้วก็คือเพื่อนในระดับที่สี่แพลเมตตาไปในคนที่เป็นกลางๆเมื่อผู้ปฏิบัติเจริญเมตตาภาวนาไปในเพื่อนที่รักยิ่งเช่นนี้แล้วก็ย่อมสามารถบรรลุอัปปนาได้จิตที่แนบแน่นได้ ผู้ปฏิบัติไม่ควรพอใจหยุดอยู่เพียงเหตุที่ได้บรรลุความสําเร็จเพียงเท่านี้ต้องฝึกในการที่จะเจริญเมตตาไปให้กว้างขวางในบุคคลทุกกลุ่มทุกจําพวกต้องขวนขวาย ใ, ในการเจริญเมตตาในบุคคลที่เป็นกลางกางต่อไปทีนี้การปฏิบัติเมื่อบุคคลผู้ปฏิบัติได้เจริญเมตตาในเพื่อนที่รักมากจนสําเร็จถึงอั ป, ปนาทั้งจิตแนบแน่นแล้วทําจิตให้อ่อนให้ควรแล้วถัดจากนั้นก็ข่มจิตที่มีภาระมาก ในเพื่อนที่รักนั้นนะ่ะให้ลดลงมาตั้งอยู่ในภาวะที่เป็นความรักอย่างธรรมดายากไหม ย, ยากก็คือว่าการที่เราจะยกสถานภาพเนี่ยหรือเราเคารพใช่ไหมแพ้กับตนเองแล้วมีความรักมากแล้วก็น้อมไปบุคคลที่ เ, าเราเคารพมากคือสัต ร, ร์บุรุษที่เป็นครูอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นพ่อแม่ให้มีความรักเสมอกับตนเองยากไหม รักตนเองอย่างไรก็รักพ่อแม่รักบุคคลที่เราเคารพอย่างนั้นยากไหมยากยากและก็จะแผ่เมตตาให้กับเพื่อนสหายที่เรารักเนี่ยยกสถานะให้เท่ากับคนที่เราเคารพยากไห้เท่ากับตนเองโหยากนะหรือจะยกสถานะคนที่เป็นกลางเนี่ยให้อยู่ในสถานะที่เราเคารพเรารักเท่าๆกันกับตนเองกับคนที่เราเคารพคนที่เป็นสหายยากไหมละ้ะการจะปรับจิตให้มันได้ดุลยภาพขนาดนี้ยากไหยาก มันยากแต่นั่นแหละก็ทำเอสามะาชัตโตสุกิโตโตูนิทุโขอขอบุคคลที่เป็นกลางๆจงเป็นผู้มีความสุขจงอย่ามีความทุกข์เออน้อมไปในสัตว์ที่เป็นกลางๆ ก, ก็คือว่าจงบุคคลที่เป็นกลางๆจงอย่าได้มีความเบียดเบียน จงอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยจงเป็นผู้รักษาตในใด้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิดแล้วก็ทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นร้อยเป็นพันจนกว่าจิตสมาธิจะเข้าประกอบด้วยเมตตาบรรลุ ถ, ถึงอัปปนา น, นั่นแหละเออเนี่ยิ่งยากไปใช่ไหมถ้าคนที่เราเคารพคนที่เรารักนี่แผ่ไปไม่ยากเท่าไหร่ถ้แผ่ไปคนกลางลางยิ่งยากเลยใจไม่ค่อยไปแล้วแต่มันจะยากตรงนี้ยากสุด ลำดับที่5้นี่ยากสุดก็คือแผ่เมตตาไปยังคนที่เป็นศัตรูยากไหมคนที่เราเกลียดเนี่ยโ อ, โ, โอ้โหเมื่อผู้ปฏิบัติเจริญเมตตาไปในบุคคลที่เป็นกลางๆเช่นนี้แล้วย่อมสามารถบรรลุอัปยนาได้แต่ผู้ปฏิบัติไม่ควรพอใจหรือหยุดอยู่ได้เหตุที่บรรลุความสําเร็จเพียงเท่านี้ทั้งนี้ต้องขวนขวายเพื่อจเจริญเมตตาไปในบุคคลที่เป็นศัตรูต่อไปในการปฏิบัตินั้นน่ะ ผู้ปฏิบัติได้เจริญเมตตาไปในบุคคลที่เป็นกลางกจนสําเร็จถึงอันนาทําจิตให้อ่อนให้ควรแล้วถัดจากนั้นก็ข่มจิตที่มีภาระคือรักมากในบุคคลที่เป็นกลางๆนั้นให้ลดลงมาตั้งอยู่ในภาวะที่เป็นความรักอย่างธรรมดาแล้วก็เจริญเมตตาไปในบุคคลที่เป็นศัตรูเพื่อให้ความรู้สึกที่เป็นศัตรูต่อกันหายกลายเป็นภาวะที่จิตที่เป็นกลางๆและวก็ยกจิตสู่ภาวะที่เป็นความรักอย่างธรรมดาสามัญ ต่อจากนั้นก็พัฒนาจิตโดยการเจริญเมตตาไปยังรัตูซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยยากไหมฮะนี่ยากยากเอสะเวรีปกครสุกิโต โ, โหนตุนิทุโขโอ้โหอย่างกับ น, นึกถึงสิ่งที่เจ็บปวดมากเลยนี่ต้องนี่ต้องฉลาดในการดูแลจิตมากเลยจิตต้องมีปัญญานำอย่างดีเลยเนะ ขอบุคคลที่เป็นศัตรูจงเป็นผู้มีความสุขจงอย่าได้มีความทุกข์เลยขอให้คนที่เป็นศัตรูแก่เราจงประสบความสาเร็จในชีวิตขอให้คนที่เป็นศัตรูของข้าพเจ้าเนี่ยจงอย่าได้มีเวรต่อใครๆเลยอย่าได้ทำกายยโสจริตวจีทุจริตอีกเลยจงอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตปองร้ายเบียดเบียนซึ่งใครๆคเลย ขอให้คนที่เป็นศัตรูข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้คนที่เป็นศัตรูข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนในพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงตําเนินกระแสชีวิตไปตามศีลสมาธิ ป, ปัญญาพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้ผิดหวังเลยปรารถนาสิ่งใดขอให้เขาสมปรารถนาขอให้เขาพ้นทุกข์โดยเร็วโดยสะดวกโดยฉับพลันเถิดพูดได้ใจไปไหม ไอ้ตรงนี้ต้องฝึกนะต้องพยายามพยายามแล้วพยายามอีกเพื่อให้อปปนาเกิดให้ได้ทำได้ยากไม่ยากในกรณีที่ปฏิบัติไม่มีสตรูคูเวนอย่าทำเออมองไปทุกวันนี้เรามีไหมคนที่เป็นสตรูกับเรายังมีอยู่เนยคนที่เราไม่ชอบคนที่เราคนที่ทาให้เราขัดเคืองมากที่สุดมีไม่มีบางคนหาไม่เจอมันมีคนหนึ่งนะ เอไม่เคยมีศัตรูกับใครเลยเกิดมาในวันนั้นมีพระรูปหนึ่งท่านวันนี้นพอคิดไปคิดมาท่านก็เลยคิดถึงอ๋ออดีตภรรยาไงทะเลาะกันตลอดอ่ะขัดเคืองกันตลอดเดี๋ยวก็โกรธกันเดี๋ยวก็เี่ยอ๋อแท้จริงจะพิจารณาอย่างลึกซึ้งอะคนที่อยู่ด้วยกันนานๆนี่แหละมักจะเป็นศัตรูกันเป็นคู่เวรกันมองออกไหมทะเลาะกันว่ากันอยู่นั่นแหละ ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติไม่มีคู่เวรไม่มีศัตรูการเจริญไปในบุคคลที่เป็นศัตรูของผู้ปฏิบัติตั้งกล่าวไว้แล้วแต่มีบางท่านที่ไม่มีศัตรูไม่เคยเป็นศัตรูกับใครมีใดประพฤติเสียาหายเป็นที่โกรธเคืองแก่ใครหรือเป็นมหาบุรุษผู้มีอัธยาศัยกว้างขวางผู้สมบูรณ์เพียรพร้อมด้วยคุณธรรมคือขันติเมตตากรุณาดังที่ได้สมสั่งสมมาในชาติก่อน แม้มีคนอื่นทําความเสียหายให้ก็ไม่โกรธเคืองนะบุคคลประเภทนี้เป็นบุคคลที่อดกั้นทุกสิ่งทุกสั่งได้ผู้ปฏิบัติเนี่ยผู้มีคุณลักษณะอย่างนี้จะพึงปฏิบัติอย่างไรสําหรับประเด็นนี้ท่านได้กล่าวไว้แล้วในคัมภีวิสุทธิมรักบอกว่าส่วนผู้ปฏิบัติผู้ไม่มีคู่เวนเนี่ยนะไม่จําเป็นที่จะต้องขวนขวายในการเจริญเมตตาไปในคู่เวนกัน ส่วนการเจริญเมตตาไปยังคนที่เป็นสตรูกันนั้นท่านแสดงไว้เฉพาะแก่บุคคลหรือผู้ปฏิบัติที่เป็นคนที่มีคู่เวรกันเท่านั้นต้องสามารถกระทําออกมาทางกายทางวาจาได้ด้วยิ่งดีจะได้ดูสภาพจิตของเราเนี่ยสามารถกำจัดอโทสะกำจัดความขัดเคืองได้จริงไหมฝึกจิตให้อ่อนโยนก่อนเนฝึกฝึกฝึกก จนสามารถสภาพจิตนั้นแข็งแรงมั่นคงดีแล้วฉะนั้นการเจริญเมตตาไปยังบุคคลที่เป็นศัตรูเนี่ยเมื่อเกิดความโกรธขึ้นจะทํำยังไงผู้ปฏิบัตินั้นนะขณะเจริญเมตตาจะไปยังบุคคลที่เป็นศัตรูเมื่อไประลึกถึงการกระทําอันชั่วร้ายของเขาเช่นการข่มเหงรังแกการเบียดเบียนการที่เขาเคยว่าร้ายกับเราให้ร้ายเราเคยเบียดเบียนเราเคยเป็นอินทาเรา เคยคิดไม่ดีกับเราเป็นทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยความโกรธความเครียดแค้นก็จะเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติแก่ผู้ที่กําลังเจริญเมื่อเป็นเช่นนี้ควรระงับความโกรธความแค้นเคืองเป็นต้นลงเสียให้จงได้ทีนี้วิธีระงับความโกรธวิธีที่ <S 1เมื่อผู้ปฏิบัติจเจริญเมตาน้อมจิตเข้าไปในบุคคลที่เป็นศัตรูเป็นเวรีบุคคลเนี่ยเกิดปฏิค้าเกิดความเครียดแค้นเกิดขึ้นมาปุ๊บ พราการระลึกนึกถึงอะ่ะความผิดที่เขาได้กระทำแก่นตนในครั้งก่อนเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าโทสะเกิดแล้วความเครียดเกิดแล้วความหงุดหงิดเกิดแล้วเช่นนี้ผู้ปฏิบัติให้หวนกลับมาเมตตาใหม่เข้าเมตตาใหม่โดยกลับมาเจริญเมตตากก่ตนเองนะแผ่เมตตาแก่ตนเองเมื่อแผ่เมตตาตนเองจะจิตอ่อนโยนเหมาะควรเกี่การงานแล้วก็แผ่เมตตาไปนคนที่เคารพ ร, รัก ให้เกิดเมตตาใหม่แล้วก็แผ่ไปให้คนที่เป็นสหายที่เป็นที่รักจนทําเมตตาจิตให้เกิดแล้วก็แผ่แพร่กับบุคคลที่เป็นกลางๆทําเมตตาจิตให้เกิดแล้วก็ปรับจิตใหม่แล้วก็เข้าไปใหม่ใช้จิตของเราน้อมไปวิ่งไปหาแผ่ไปหาบุคคลที่เป็นเวรีเป็นที่สตรูมเลยเนี่ยการทำลักษณะอย่างนี้แหละจนกว่าจะระงับความโกรธความเครียดแค้นนั้นให้หายไปได้ แต่บางคนทําอย่างเนี้ยหลายสิบรอบก็ไม่หายมันความโกรธมันฝังลึกมันเจ็บลึกมากไปฝังใจกับคนคนนี้ไว้มากมันก็เลยเครียดก็เลยกโกรธก็เลยไม่พอใจก็เลยงดหงิดหรือแผ่ไปยังไงเมตตามันก็ไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นไม่สามารถทําเมตตาเกิดขึ้นมาได้นี่วิธีที่หนึ่งไม่ได้ผลใช้วิธีที่สอง วิธีที่สองการระลึกถึงพุทธโอวาทผู้ปฏิบัติจงพยายามระลึกถึงความโกรธแค้นนั้นให้หนักขึ้นนะเพื่อละนะละความโกรธแค้นนั้นให้หนักเพื่อจะระงับให้ได้ด้วยการระลึกถึงพุทธโอวาทระลึกถึงคําพูดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการระงับความโกรธแค้นโดยเฉพาะพยายามตักเตือนตนเองบ่อยๆในการระลึกถึงพุทธโอวาทบอกว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากพวกโจรผู้มีใจหยาบช้ามีใจชั่วช้าจะพึงเอาเลื่อยมีสองด้ามสอ2ข้างนะั้นมาเลื่อยอ ว, วัยวะทั้งหลายของเธอผู้ใดเกิดมีจิตคิดปัททุสาร้ายต่อโจรนั้นบุคคลนั้นชื่อว่าไม่ปฏิบัติตามคําสอนของเราเพราะเหตุที่มีใจคิดประทุสา้ายนั้น ผู้ใดโกรธตอบคนที่โกรธก่อนผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนเลวเสียยิ่งกว่าคนที่โกรธก่อนนึกถึงพุทธโอวาทอย่างนี้เป็นต้นตอนึกถึงพระดำํำรัสของพระพุทธเจ้าเราเป็นสมมาเชื่อสายศักยะบุตรพุทธชิโนรสเราเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเป็นภิกษุภิกษุณีวาโสวาสิกาเนี่ยนะเราเป็นบริษัทของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีพุทธโอวาทบอกว่าถ้ามีใครเอาเลื่อยมาตัดอวัยวะของเธออยู่ ในกำนาที่คนกําลังเอาเลื่อยตัดอวัยวะเลื่อยไปเลื่อยมาอยู่นั้นถ้าผู้กําลังถูกตัดนั้นทําความโกรธให้เกิดขึ้นในผู้ที่กําลังปฏิทุสลายเรานั้นชื่อว่าไม่ทําตามคําสอนของเราแล้วบุคคลใดโกรธตอบบุคคลที่โกรธเช่นมีใครมาปฏิทุสลายเรามาด่าเรามาทําร้ายเรามาด่าเราหรือมาโกรธเราแล้วเราไปโกรธตอบเนี่ยไอคนที่โกรธตอบเนี่ยเป็นคนที่เลวยิ่งกว่าคนที่โกรธก่อน ทำไมเป็นงนั้นเนี่ยถ้ามีใครมายืนต่อหน้าเราแล้วเอามีดมาแทงตัวเองหรือเอาไม้ทุบตีหัวตัวเองต่อหน้าเราแล้วก็เลยโกรธก็เลยเอาไม้มาตีหัวตัวเองบ้างถามไ้คนที่ทำทีหลังกับคนที่ทำก่อนเน่ยใครใครหน้าหน้ารังเกียจกว่ากันทำทีหลังเพราะว่าเราเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วเรายังไปทำตามเขาหรือ มีคนเอาอุจจระไปละเลงหน้าตัวเองเราก็เลยวิ่งไปเอาอุจจระมาละเลงต่อละเลงหน้าโดยไอ้อย่างเงี้ยนึกถึงพุทธโอวาทอย่างนี้แล้วก็จะสามารถผู้ปฏิบัตินั้นต้องพร่ำสอนเตือนตัวเองให้ลึกถึงพุทธโอวาท ด, ดังที่ได้กล่าวอย่างเงี้ยอาจจะไปจําที่ไหนมาก็ได้นะที่เป็นพุทธโอวาทเพื่อละความโกรธแค้นแล้วก็เน้นย้ําไม่ให้โกรธต่อบุอคคลที่ทําให้เราโกรธก่อน เมื่อได้เตือนตนเองให้ระลึกถึงพุทธโอวาทอยู่บ่อยๆความโกรธก็จะค่อยระ ง, งับไปในที่สุดแล้วก็จะสามารถเจริญเมตตาไปในเวริบุเป็นต้นได้แต่เมื่อไม่ระ ง, งับหรือไม่สามารถละความโกรธได้ให้ใช้วิธีที่3วิธีที่3ก็คือผู้ปฏิบัติก็เพียรพยายามอัญเชิญพุทธโอวาทพร่ำสอนตักเตือนอยู่อย่างนี้แล้วหากความโกรธ ไม่สงบระ ง, งับลงหรือถ้าสงบระ ง, งับลงได้เป็นการดีแต่ถ้าหากไม่สงบระ ง, งับลงก็เพียรพยายามหาวิธีอื่นกล่าวคือถ้าคุณธรรม ใ, ใดๆก็ตามของคนที่เป็นสตรอครูเวนนั้นมีอยู่ซึ่งเป็นส่วนดีของบุคคลนั้นเช่นความเป็นผู้มีมัน ญ, ญาติเรียบร้อยความเป็นคนพูดจาเพลาะคนเป็นคนที่มีการกระทำความดีงาม เป็นคนชอบกตันยูเลี้ยงดูพ่อแม่ปู่ตายายยายรักครอบครัวเป็นต้นเหล่านี้ก็จงเอาความดีเหล่านั้นมาระลึกความดีของคนที่เป็นสเตรูเราอะ่ะเอามาระลึกระลึกระลึกให้ดีแล้วก็จะสามารถเลื่อมใสพอใจก็ถึงคุณธรรมของเขาที่มีอยู่แล้วก็จะสามารถระงับความแคบแค้นความชิงชังเป็นต้นได้เพราะคนเราก็มีความดีอยู่แล้วใช่ไหมก็เจาะหาความดีในตัวที่เราเครียดแล้วโกรธนั่นแหละ ในเข้าในเข้าเราก็จะเห็นความดีในเขาเมื่อหาความดีในตัวเขาได้เมื่อไหรปุ๊บความโกรธก็หายแต่ถ้าไม่หายทํำยังไงก็ไม่หายก็ใช้วิธีที่4คือการพร่ำสอนตนเองว่าแม้ผู้ปฏิบัติเพียรพยายามบรรเทาความมาคาดความเครียดแค้นเนี่ยนะโดยการระลึกถึงความดีของบุคคลที่เป็นคู่เวรแล้วเนี่ยแต่ความมาคาดความแค้นไม่ระงับ ถ้าเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติให้เปลี่ยนวิธีใหม่โดยการสอนตนเองได้วิธีการปฏิบัติในวรกรวิสุทธิมรักบอกว่าในเมื่อศัตรูเป็นคู่เวรทําความทุกข์ให้แก่เจ้าได้เขาก็ทําความทุกข์ให้แก่เจ้าเฉพาะร่างกายเท่านั้นเหตุฉไหนเจ้าจึงปรารถนาจะเก็บเอาความทุกข์นั้นเอามาใส่ไว้ในใจของตนซึ่งไม่ใช่วิสัยของคนที่เป็นศัตรูคู่เวรจะทําได้เล่า ถามว่าคนที่ก็เป็นศัตรูคู่เวรเนี่ยเขาสามารถทําร้ายจิตใจเราไม่ได้หรอกเขาไม่สามารถทําร้ายจิตใจก็ทําได้กับเพรอล่างกายด่าเราก็ได้แค่เนี่ยได้ยินเสียงเท่านั้นแหละมทุบมาตีก็แค่ทางร่างกายหรือมาแก้กันแกล้งเราก็ได้เพียงภายนอกเท่านั้นแหละเพราะนามาทํามันเกิดดับสืบต่อมันไม่สามารถที่จะใครจะมาแกล้งใครได้หรอกแต่เราเองต่างหากไปหยิบเอาความเครียดความกลุ่ม หรือความไม่ดีทั้งหลายมาใส่ไว้ในใจของตนเองฉะนั้นไม่มีใครมาประทศสร้ายจิตใจเราได้หรอกแต่เราต่างหากเป็นผู้ประทศสร้ายจิตใจของตนเองเขาใจใช่ไหมอ๋อเราต่างหากมันไม่ใช่วิสัยศัตรูคู่เวนที่จะทำได้เขาไม่สามารถที่จะแต่นาำว่าทําไมเราไปเก็บเอาความทุกข์มาใส่ไว้ในใจของตนเราเก็บเอาความทุกข์มาใส่ไว้ในใจของตนเอง เ, องเนี่ยในใจเนี่ยศัตรูไม่ทําร้ายเราไม่ได้เขาฆ่าใจเราไม่ได้ เขาด่าจิตใจเราก็ไม่ได้เขามาจับจิตใจเราออกมาดูมาทุบมาตีไม่ได้หรอกเพราะจิตใจเป็นนามธรรมใช่ไหมเขาทำไม่ได้หรอกแต่เรานี่แหละใช่ไหมเป็นผู้เบียดเบียนจิตใจตัเองให้คิดอย่างเนี้ยพอคิดไปเรื่อยๆความก่อหายไหมหายถ้าไม่หายใช้วิธีที่หก็พิจารณาถึงสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนตอนนี้อุเบกขาเริ่มทำงานแล้ว เมื่อผู้ปฏิบัติแม้จะพยายามพัฒนสอนตนเองอยู่ด้วยวิธีดังกล่าวแล้วก็ตามแต่ความโกรธความแค้นนั้นก็ไม่สงบระครับลงไปได้เนี่ยผู้ปฏิบัติก็ใช้วิธีด้วยการพิจารณาภาวะที่ตนเองและคนอื่นๆเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนการพิจารณาถึงกรรมของแต่และคนเนี่ยนะเพงพิจารณาภาวะที่ตนเองเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนด้วยลําดับบอกว่าเจ้าโกรธคนอื่นแล้ว ดูก่อนเจ้าคนขี้โกรธเลยนี่ยบอกเนี่เจ้าโกรธคนอื่นเขาแล้วเจ้าจะได้ประโยชน์อะไรกรรมอันมีโทสะเป็นประธานของเจ้านี้จกบรรดาลความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นแก่ตัวเจ้าเองไม่ใช่หรือใช่ไหมเนีย่ยวิธีคิดเนะี่ยไอ้โทสะที่เกิดขึ้นเป็นประธานคือความเครียดแค้นชิงชังและความโกรธที่เกิดขึ้นในใจเจ้าเนี่ย มันก็เป็นกรรมที่เจ้าทําเองเมื่อกรรมนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยกรรมนี้มันให้ผลที่จิตใจของเจ้าแล้วนี่ไงการมีกรรมเป็นของของตนเนี่ยความโกรธความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลจิตเศร้าหมองจิตไม่สะอาดผ่องแพ้วจิตเกิดความท้อถอยหดหู่พุ่งสัานทั้งหลายนีย่เกิดขึ้นแล้วแก่เจ้า นี้พฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาของเจ้าก็ดูเศร้าหมองดูถมึงทึงดูไม่น่ารักดูน่าเกลียดกายกรรมก็หยาบวิจีกรรมก็หยาบมโนกรรมก็หยาบช้าก็ออกมาเป็นระยะระยะเพราะเจ้าเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมตอนนี้กรรมก็เกิดขึ้นกับตนที่จิตใจที่บุกริษฐภาพอยู่ทำไมเจ้าจึงไม่เห็นเล่าพี่เตือนอย่า ง, งอนอางงี้หายไหม ตัวเจ้านั้นเมื่อทำกรรมอันนี้ลงไปก็เท่ากับเผาตัวเองก่อนแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนก่อนทาตนเองให้เดือดร้อนก่อนเหมือนเอาอุจจาระมาลาาตนเองเนี่ยไอ้ตนเองก็ต้องเหม็นก่อนใช่ไเอาไฟมาเผาตัวเองตัวเองก็ต้องร้อนก่อนเอามีดมาเสียบตัวเองตัวเองก็ต้องเจ็บปวดก่อนไอ้พิจารณาอย่างนี้เมื่อผู้ปฏิบัติพิจารณาภาวะที่ตนเองเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนอย่างนี้แล้ว ก็พิจารณาถึงภาวะคนอื่นเขาก็มีกรรมเป็นของของตนต่อไปบอกว่าเขาพูดนั้นโกรธเจ้าแล้วเขาจักได้ประโยชน์อะไรกรรมอันมีโทสะเป็นประธานของเขานั้นก็จัดเป็นไปเพื่อความเสื่อมเสียแก่เขาไม่ใช่หรือเพราะว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเหมือนกันเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นกําเนิดใช่ไหมมีกรรมเป็นนิพึ่งอาศัย สัตว์ทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็เจตตนเป็นผู้รับผลของกรรมใช่ไม่ใช่ตัวเขานั้นเมื่อทํากรรมนี้ลงไปก็เท่ากับเป็นการโปรยทุลีคือความโกรธใส่ตนเองเหมือนบุรุษผู้ยืนทวนลมอยู่หวังจะโปรยทุรีใส่คนอื่นก็เท่ากับโปรยทุรีใส่ตนเองฉะนั้นโอ้พิจารณาอย่างนี้ขึ้นมาแล้วอยากจะโกรธคนอื่นไหมเนี่ยไม่อยากโกรธใครอีกแล้วเนาะเนี่ยวิธีที่ห้าแต่เชื่อไหม มีบางคนพิจารณาอย่างนี้แล้วความโกรธก็ไม่หายความโกรธก็ไม่หมดไปเมื่อความโกรธไม่หายความโกรธไม่หมดไปก็พิจารณาถึงวิธีที่6วิธีที่6พิจารณาถึงพจริยาในปางก่อนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อผู้ปฏิบัติเนี่ยพิจารณาถึงภาวะที่ตนเองและผู้อื่นมีกรรมเป็นของของตนดังกล่าวแล้วในความโกรธความแค้นไม่อาจจะระงับได้ แต่นั้นให้ลึกถึงพรัจริยาวัดของพระบระมาศา ส, สดาในการก่อนนี่คิดถึงพรัจริยาคุณเนี่ยคนงามความดีที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญในการก่อนก็จะสามารถบรรเทาความโกรธได้ว่างั้นเถิดระลึกอย่างใดวิธีการที่จะเจริญก็พิจารณาตามคําสอนบอกว่าพระบระมาศาสดาของเราในการก่อนจะตัสรู้สัมมาสัมพทาญาณ เมื่อเป็นบริษัทก็ไม่ได้ทรงมีผ้าไทยคิดประทุษร้ายในผู้ที่เป็นศัตรูแม้ว่าศัตรูนั้นจะพยายาม ป, งปองพชนฆ่าพระองค์ในพระชาตินั้นไม่ใช่หรือพระจริยวัดของพระบระมศาสดาการก่อนนั้นํามาเตือนตัวเองได้เยอะนะอย่างเช่นในเรื่องของพระเจ้าศีลวะในศีลวะชาดกเป็นต้นก็ได้หรือในพระชาติที่เป็นขันติวาทีดาบทบ้าง ในพระชาติที่เป็นธรรมปาลกุมารนี่เนี่ยไม่โกรธไม่โกรธต่อศัตรูที่บาดุสลายหรือฉัดทันตาชาดกเนี่ยเป็นพยาช้างฉัดทันไงขนาดว่านายพานโสนุดรตัดงาเลยเนยฆ่าเนี่ยจะมาฆ่าเนี่ยยิงเลย่งเงี้ยนะใช้ลูกศรใช้ธนูยิงจนทะลุเลยไม่โกรธ โอ้เยอะแยะหมดอย่างขันติวาทีดาวดเนี่ยตัดหูตัดจมูกตัดแขนตัดขากระทืบที่ยอดอกก็ไม่ทําความโกรธให้เกิดขึ้นท่านก็บอกว่าความโกรธมันไม่ได้อยู่ที่เน่ยขันติมันไม่ได้อยู่ที่ที่ร่างกายหรอกแต่ขันติมันอยู่ในห้วงอธัยอันลึกซึ้งของอาตมานะคิดอย่างนั้นเลยเนี่ยแต่ว่าอะไรขันตนิมันเป็นอาโทสะเป็นสภาพของความไม่โกรธเป็นนามธรรมา เป็นสภาพจิต ท, ที่มีความแข็งแรงมีความตั้งมั่นกำกับจิตของตนเองให้ตั้งอยู่บนเหตุและผลพิจารณาเหตุพิจารณาผลพิจารณากรรมพิจารณาผลของกรรมก็ไม่ยังความโกรธความเครียดความอาฆาตพยาบาทให้เกิดขึ้นในใจเพราะว่ามีปัญญากำกับอยู่มีสติมีอัโทสะคือสภาพที่ไม่หวั่นไหวกากับจิตไว้ให้ตั้งอยู่บนเหตุและผล ให้คุณธรรมทั้งหลายคือเมตตากรุณามุมิตาเวขาทั้งหลายมาประชุมรวมกันอยู่ให้คุณธรรมคือศรัทธาอริยสติสมาธิปัญญามาประชุมรวมกันอยู่ในจิตใจจึงไม่ทําความโกรธความอาฆาตความพยาบาทให้พุกพ่านขึ้นมาปิดกั้นบาปอกุศลธรรมมันชั่วร้ายไม่ไ ห, หลเข้าสู่จิตได้เลยเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะสะภาพของอัโทสะสภาพของความไม่โกรธนี่เป็นอย่างนี้นี่พิจารณาถึงพัจริยาวัดพัจริยาคุณของพระพุทธเจ้าในแต่ละชาติแต่ละชาตินะพระองค์บำเพ็ญมาอย่างอุกฤษ เออเราเป็นพุทธสาวกของพระบรมศาสดาจะทําความโกรธความเขียบแค้นเพียงนิดๆหน่นนอยๆให้เกิดขึ้นไม่สมควรแก่เราเลยเราจะเดินตามรอยบาทรพระศาสดาจะปฏิ บ, บ, บัติบารมีทําเดินตามพระพุทธเจ้าแม้ความโกรธเพียงแค่นี้ละไม่ได้ไม่ควรแก่เราเตือนอย่างเงี้ยละได้ไหมละได้ถ้าละไม่ได้วิธีที่เก็คือพิจารณาถึงความที่เคยเกี่ยวข้องกันในสังสารวั ท่านบอกว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยซึ่งตกเป็นธาตุของกิเลสมาช้านานแม้จะได้พยายามพิจารณาถึงคุณอันเป็นพรจริยาวัดพัะจริยาคุณของพระบระมา ศ, าศาสดาโดยวิธีการต่างๆพิจารณาถึงชาดกประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญมาอย่างไรความโกรธก็ไม่ระงับอยู่นั่นเองผู้ปฏิบัตินําพิจารณาถึงบทแห่งพระสูตรทั้งหลายมีความเนื่องกันโดยสังสารวัตรที่พระเจ้าตรัสไว้เลยเอาพิจารณาว่า เบื้องต้นแล้วที่เบื้องสุดอันบุคคลรู้ไม่ได้พระพุทธเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ผู้ไม่เคยเป็นมารดาไม่เคยเป็นบิดาไม่เคยเป็นพี่น้องชายไม่เคยเป็นพี่น้องหญิงไม่เคยเป็นบุตรไม่เคยเป็นธิดาไม่เคยเป็นสามีภรรยามิใช่หาได้ง่ายผู้ปฏิบัติก็ส่งจิตไปในบุคคลผู้เป็นเวรกันในทตามคําสอนบอกว่าสตรีผู้นี้เคยเป็นมารดาของเราแล้วในชาติก่อนจะเป็นผู้หญิงนะ สตีผู้นี้เคยเป็นทิดาของเราแม้แต่คนนี้ก็เคยมีอุปการะคนณแก่เราเป็นมากโอ้เราเนี่ยเคยดื่มน้ํานมองท่านผูน้นี้ท่านผู้นี้เคยมีอุปการะคุณกับเราเคยเป็นพ่อเราเคยช่วยเหลือเราเคยทําให้เราพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งหลายโอ้พิจารณาอย่างนี้แล้วความโกรธหายไหมหายแล้วโอ้เคยเกี่ยวข้องกันมานานนี่วางนั้นเดียพอพิจารณาอย่างนี้ปุ๊บก็รเรียบร้อยเลย ความโกรธที่เคยมีก็หายแต่ถ้าไม่หายพิจารณาอย่างนี้ก็ไม่หายความแค้นความโกรธทั้งหลายก็ไม่ระงับก็ให้พิจารณาถึงอานิสงส์ของเมตตา1ิประการพิจารณาถึงความเกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏก็ไม่สามารถทําให้ความโกรธความแค้นระงับลงได้ตอนนั้นผู้ปฏิบัติที่พิจารณาถึงอานิสงส์ของเมตตาโดยในญาติที่บอกว่าสุขขังสุปติที่แหละ สุขังปฏิพุทธิาปะปังสุภินังปสติมนุสสันางปิโยติอมนุสสันางปิโยติเดวตารักขันตินาสาัคีวาวิสังวาสถังวากรรมติตัทัทงกิตตังสมาธิยะติมุกควนโนวิปษษัสสิทธติอสัมมุลาโหกาลังกโลติอุตริงปฏิวิชนโตบ ร, รัมดูกุปโขติเนี่ยหลับเป็นสุขโอเราต้องการไหมหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเทวดารักษาเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย ไปสตรายพิษโลกร้ายไม่กั้มไกลมีสีหน้าที่ผ่องใสมีสมาธิตั้งมั่นเร็วไม่หลงทําการกิริยาคือการไม่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยตายแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกด้วยนะไอรสงของเมตตาที่เจริญดีแล้วได้ดีแล้วเนี่ยพอพิจารณาถึงอริสงน์นี้ปุ๊บเราจะไปโกรธไปทําไมถ้าโกรธแล้วเมตตาก็ไม่เกิดสิพอพิจารณาอย่างนี้ก็สามารถละความโกรธได้วงเงินด้วยถ้าไม่ได้เอาวิธีที่9ให้แยกธาตุเลยตอนนี้น อยากพิจารณาเป็นกลุ่มๆก้อนๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะยั้งความโกรธให้อันตรทานได้ผู้ปฏิบัติไม่สามารถจะทําความโกรธให้ระงับได้ด้วยวิธีดังกล่าวปุ๊บลำดับนั้นให้พิจารณาเลยอาการ32เลยว่าเออเนี่ยเจ้าคนขี้โกรธเอ๋ยว่างั้นนะว่างั้นเถอบุคคลผู้เป็นคู่เวร น, นั้นเราจะโกรธอะไรเขาไล่ไปเลยแล้วโกวดผมใช่ไหม ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกี่ยวในกระดูกไตหัวใจตับปอดใส่ใหญ่ใส่น้อยหันใหม่หันเก่ามันสมองแล้วกดดีเสดหนองเลือดเหงื่อมันค้นน้ำตาเปรียวมันน้ำลายน้ำมูดเป็นต้นเหล่านี้แล้วเรากดไฟที่ยังกายอบอุ่นไฟที่ยังกายสึดซอมไฟที่เผาอาหารให้ย่อยไฟที่ทําให้แกงงอมหรือเรากดลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องล่างลมในช่องท้องลมในลําไสา้ลมที่พัดผันไปตามอวัยวะน้อยใหญ่หรือลมหายใจเข้าออก ไล่ไปแต่ละอย่างละอย่างแยกแยะชิ้นส่วนเลยนะเขาแยกแยะชิ้นส่วนในความเป็นสัตว์บุคคลหายไหมหายเลยในเนี้ยเนะีเมื่อผู้ปฏิบัติแยกแยะชิ้นส่วนต่างๆของบุคคลที่จะเป็นคู่เวรกันออกมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างสักแต่ว่าธาตุเป็นแต่เพียงว่าชิ้นส่วนต่างๆประกอบกันขึ้นมาเท่านั้นเองผู้ปฏิบัติก็จะมองเห็นสภาวธรรมด้วยปัญญามีความเข้าใจชัดเจนว่าฐานที่เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธมันไม่มีอยู่จริงหรอกในคู่เวรนั้นนะ่ะ เพราะธาตุทั้งหลายแต่ละธาตุแต่ละธาตุมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีไตมีหัวใจมีตับมีปอดนี่ยเราไม่ควรไปโกรธเลยมันก็มีแต่ธาตุอย่งนั้นเองโอพิจารณาแยกธาตุผิดแล้วแล้วแล้วเราแล้วแล้เราหายไหมโกรดยังเหลืออยู่ไหมตอนนี้ถ้าเหลืออยู่ให้ใช้วิธีที่สิบเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่แล้ว ปันสิ่งของเลยในนี้วิธีนี้เมื่อผู้ปฏิบัติใช้แยกธาตุแล้วถ้าความโกรธแค้นยังไม่สงบระงับลงให้พึงทําทานาวิทานาสังวิภาคะคือการให้และการแบ่งปันสิ่งของเอาละในนี้วิธีนี้แหละจัดการได้เลยเขาเรียกวิธีการฆ่าความโกรธที่ดีที่สุด <c oughs> เรารักเราชอบพอเลยฝึกเลยเ มีสิ่งของมาที่เราลักเราชอบเราห่วงก็แบ่งปันสิ่งของให้กับคนที่เป็นคู่เวรกันคนคู่เวรกันนั้นแต่ถ้าคู่เวร น, นั้นให้สิ่งของที่ไม่ควรแก่การรับคือเป็นของที่ไม่บริสุทธิ์ทึงได้จากการทำอาชีพที่ทุจริตหรือมีเครื่องใช้ไม่เป็นของควรแก่การใช้สอยก็พึงให้แต่ตนเองเท่านั้นแก่เขาให้ของดีๆนะให้ปันสิ่งของ เพราะจริงๆทานมีอนุภาพมากพระเจ้าโบราณอาจารย์ทขาบอกการให้ปราบคนที่ใครๆปราบไม่ได้การให้เนี่เป็นการปราบคนพยศนึ่การให้ยังสิ่งประสงค์ทั้งปวงให้สำริดคาว่าผู้ให้หมายถึงเป็นหมายเขาบอกว่าเป็นเป็นผู้เงยหรือคือย่อมฟูขึ้นใจฟูขึ้นน่ ส่วนผู้รับเนี่ยหมายประดุดเป็นผู้ก้มเป็นฝ่ายก้มย่อมอ่อนน้อมลงทั้งนี้ก็เพาะการให้และการเจรจาเพเราะประกอบกันที่จริงการให้เป็นการฝึกจิตนะจิตของผู้ให้ทําจิตของเราให้อ่อนโยนด้วยจิตของผู้รับก็อ่อนโยนด้วยนั้นเราให้ไม่ได้ให้อย่างเดียวให้วาจาไพเราะด้วยเนี่ยเป็นการใช้ได้ผลที่ดีที่สุดนั้นจะกอดใครส่งของดีๆไปให้ เอาไปให้เขาเลยเมืม่อผู้ปฏิบัติพยายามระงับความโกรธแค้นในบุคคลเป็นค้่เวนกันด้วยวิธีอุบายต่างๆก็จะมาจบลงตรงนี้แหละหรือไม่งั้นละลึกถึงในพุทธอวาตในกาการจูปมาสูตรตามที่ได้แสดงไว้บอกว่าให้แผ่เมตตาจิตถ้าบุคคลนั้นเนี่ย เ, เป็นบุคคลที่เราเนย เข้ามาประทุษ ล, ล้ายเราด้วยการทบตีเราเอาเรื่อยมาเลื่อยเราแล้วทางความโกรธที่เกิดขึ้นเชื่อว่าไม่ ท, ทามววําตามพุ้แต่ว่าวเป็นตัวเราเนี้ยนะถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ความโกรธต้องระ ง, งับได้อย่างไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งวิธีการเจริญหนักเข้านี่นะเมื่อท้าสําเร็จแล้วต่อไปก็คือจานเจริญให้เป็นสีมาสำเพวะเพะทะก็คือทําให้มีความสมดุลกันรักในตนรักในผู้เคารพรักในผู้ที่เป็นสหายเป็นที่รักในบุคคลที่เป็นกลางกลางบุคคลที่เป็นศัตรูเนี่ยปรับบุคคลทั้ง หกลุ่มนะให้มีความสมดุลและเสมอกันเป็นสีมาสัมเพทะไม่มีให้ไม่มีช่องว่างไม่มีเขตแดนเลยไม่มีเครื่องกั้นเลยให้มีความสมดุลกันนี้การปรับตรงเนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นการทํายากนะตรงนี้บรรเทาความโกรธแค่นในสตรูคูค่เวรในรับรงแล้วอธิบายต่างๆจิตของผู้ปฏิบัติน้อมไปแม้ในสตรูคูค่เวรนั้นด้วยวิธีแห่งเมตตาภาวนาดังที่ได้กล่าวแล้วเนี่ย นัเข้าต่อไปก็คือว่าการทําเมตตาเป็นสีมาสามเพอธาการคือทําให้จิตเสมอกันในบุคคล4ี่จำพวก1ตนเอง2คนที่เราเคารพ3คนที่เป็นสหายที่เรารัก4คนที่เป็นกลางกลางลเป็นคนที่เป็นคู่เวีนกันคําว่าสีมาสัมเพทธก็คือการทําลายเขตขอบเขตของเมตตาคือไม่ทําการแบ่งว่าตนคนที่เรารักคนที่เราเคารพคนเป็นกลางหรือเป็นศัตรู เนื่องจากคนสี่จำพวกนี้เป็นเขตแดนที่แผ่เมตตาไปถึงเมื่อแรกในการแผ่เมตตาไปทีละเขตทีละเขตท่านกําลังภาวนามีกําลังแก่กล้าจนถึงจิตเสมอภายในบุคคลสี่จำพวกไม่มีการแยกเป็นเราเป็นเขาแล้วเนี่ยเรียกว่าสีมาสัมเพทะลักษณะของสีมาสัมเพทเนี่ยลักษณะของเมตตาที่เป็นสีมาสัมเพทะนั้นคือขณะที่ผู้กําลังเจริญเมตานั่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับภิกษุผู้เป็นที่รัก ที่เป็นกลางกลางหรือที่เป็นคู่เวณรวมถึงบุ ก, กับตนเองเนี่ยหากมีโจรมีโจรเข้าไปหาแล้วประกาศว่าต้องการคนผู้หนึ่งเพื่อไปฆ่าเพื่อทำพลีกรรมในกรณีเช่นนี้ผู้ปฏิบัตินั้นน่ะกล่าวว่าจงเอารูปใดรูปหนึ่งไปตามชอบใจเถิดเนี่ยไม่ชื่อว่าทําเมตตาให้เป็นศีลมาสาเพช หรือถ้าผู้ปฏิบัติจะพึงกล่าวเชิญเอาตัวฉันไปเถอะเนี่ยก็ไม่ชื่อว่าได้ทาเมตตาให้ถึงสีมสัสเภะเช่นเดียวกันเพราะเหตุว่าผู้ที่ปฏิบัติยังมีความปรารถนาให้โจรเอาภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือชื่อว่าเธอเป็นผู้มีความมุ่งร้ายในภิกษุรูปนั้นอยู่และเป็นผู้ยังมีความปรารถนาในภิกษุรูปนอกนั้นอย่างนี้เป็นต้น หรือแม้แต่จะให้เขาโจรมาเอาตัวเราเองก็ชื่อว่ายังไม่ถึงความเป็นกลางนะฉะนั้นภิกษุผู้เจริญเมตตาตราบใดที่ยังเห็นความแตกต่างกันอยู่ในบุคคลสี่จำพวกในตนเองบุคคลที่เรารักบุคคลที่เป็นกลางกางบุคคลที่เป็นศัตรูไม่จัดว่าเป็นผู้มีความรักด้วยเมตตาแท้ต่อเมื่อภิกษุนั้นทาลายขอบเขตแห่งเมตตาคือบุคคล4จำพวกนั้นเสียได้ จึงสามารถแผ่เมตตาแท้ไปได้ทั่วโลกทั้งมนุษย์ทั้งเทวโลกอย่างสม่ำเสมอขอบเขตของเมตตานั้นปรากฏมีแก่ภิกษุใตเธอได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าคนที่ยังเห็นความแตกต่างในบุคคลสี่จำพวกนั้นนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้การเจริญเมตตาที่บรรลุถึงปฐมวชานคือฌานที่หนึ่งเป็นต้นเหล่านี้ เมื่อผู้ปฏิบัติเจริญเมตตาจนถึงขั้นสีมาสัมเพสแล้วต่อจากนั้นจงทําสีมะสัมเพสนั้นให้เป็นนิมิตกรรมาฐานแล้พยายามซ่องเสพนิมิตนั้นให้มากขึ้นทําให้เจริญขึ้นเพียงทําให้มากๆยิ่งขึ้นผู้ปฏิบัติก็จะสามารถบรรลุถึงอัปปนาสมาธิได้ปฐมฌานซึ่งเป็นฌานขั้นแรกโดยจะไม่ยากไม่ลําบากเลยด้วยภาวนาวิธีเพียงเท่าเนี้ย เป็นอันว่าผู้ปฏิบัตินั้นได้บรรลุปถมฌานซึ่งประกอบไปด้วยเมตตาเป็นต้นที่เมตตาฌานและความเกิดขึ้นข่งเมตตาฌานเนี่ยเป็นยังไงคําว่าเมตตาฌานเนี่ยหมายถึงฌานที่ปรากฏขึ้นด้วยการพิจารณาเมตตาแล้วก็แต่ผลลักษณะพิเศษของเมตตาภาวนานี้คือสภาพจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาและความปรารถนาดีที่แผ่ไปให้สรรพสัาาตว์ทั้งหลายทุกหมู่เหล่าทุกทิศทุกสถานที่ ทีเรียกว่าเมตตาฌานก็คือฌานที่ได้ด้วยอํานาจของการเจริญเมตตาก็คือบุคคลผู้ได้เมตตาฌานนี้พระเจ้าตรัสรับรองว่าเมื่อทํากาละแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาหรือ พ, พมมรหมพรมิกายคือหรือในชั้นพรห ม, มกายิกาก็ได้หรือสุทาวาสกัดังปรากฏในปฐมฌานเมตตาสูตรในทุติยฌานเมตตาสูตรซึ่งกล่าวบุคคลที่เจริญนับนาบอกว่าดูก่อนพิกสุท์ทั้งหลาย บุคคลสี่จำพวกนี้ปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นฉไหนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้มีใจประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศที่1อยู่ทิศที่2ที่สที่4ไล่ไปตามลําดับตลอดสิบทิศนั่นแหละเมื่อทํากาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นพรหมกายิกาก็คือพันพรหมนั่นเองดูกราภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นฉไหนะบุคคล ดูก่อนพิกษจ์ทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้มีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศห่งทิศ2เป็นต้นเมื่อตายไปแล้วเข้าถึงความเป็นสายเทวดาชั้นสุดท่าวา่ามีสองกรณีนะเกิดเป็นพรหมกับในชั้นสุดท่าวา่าถ้าเพื่เกิดในชั้นสุดท่าวา่านั้นต้องเป็นพผ้านาคาเนะีต้องเป็นพผ้านาคาอาีิว่าต่อทีนี้การเจริญเมตตาตามแนวของเจตุกนายและปะจัจจมนายในที่4กะะในที่5 ก็คือผู้ปฏิบัติได้บรรลุถึงปฐมฌานแล้วพยายามเจริญเมตตายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยใช้นิมิตคือสีมสาสำเพอทั้งนั้นแหละเป็นอารมณ์กรรมฐานซ่องเสพนิมิตนั้นให้มากเพื่อทําให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปก็จะสามารถบรรลุถึงฌานที่สูงขึ้นไปโดยลําดับ <c oughs> ในขปรกรณวิสุทธิมรรตท่านกล่าวถึงในเรื่องของจํานวนฌาน4เรียกว่าจตุกกนัยคือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติยฌาน ก็คือบรรลุทุติยฌานและตติยฌานเป็นขั้นสุดท้ายไม่ถึงขั้นเจตุทะฌานในกรณีที่จํานวนนับเป็น5เรียกว่าปัญจะปัญจมณีเนี่ยก็คือปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานเจตุทะฌานแล้วก็ปัญจมฌานการเจริญเมตตาก็จะได้เพียงแค่ปฐมทุติตติถึงเจตุทะฌานเป็นขั้นสุดท้ายไม่ไม่ถึงขั้นปัญจมฌาน เมตตาฌานจะเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้ในกรณีแห่งการที่เมตตาเนี่ยบุคคลที่บรรลุเจตุจักรฌานโดยเจตุกนาหรือปัญจมฌานในปัญจมนายเนี่ยนะก็มีองค์ฌานที่เป็นอุเบกขาเวทนาเมตตานี้เป็นฝักฝ่ายแห่งสมณสเสวนานะเมตตาจึงไม่สามารถให้บรรลุถึงฌานที่4ตามเจตุกนาหรือไม่สามารถบรรลุถึงฌานที่5ตามปัญจมนัยเป็นต้นได้ เพราะเมตตาเนี่ยเขาประกอบปผสมอนัเวทนาชั้นที่4ี่ตามเจตุกนัยเนี่ยเขาประกอบด้วยเบิขาจึงไม่สามารถถึงชั้นที่สตามเจตุกนัยหรือถึงชั้นที่5ถึงปัญจมนัยเป็นต้นได้ทีนี้สีมะสัมเพสเท่ากับปฏิภาคขันมิตเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้สีมะสัมเพสท่ก็แปลว่ายังไม่เข้าถึงปฏิภาคขันมิตโอกาสที่จะได้ชา้นก็ไม่เกิดเมื่อผู้ปฏิบัติเจริญเมตตาให้สำเร็จถึงขั้นปฏิภาคขันมิต หรือขั้นอุปจารสมาธิมีสีมาสัสสพิสเป็นไปอย่างสม่ำเสมอในกรรมฐานอื่นๆเช่นกสินกรรมฐานเป็นต้นปฏิภาคาณิมิตย่อมปรากฏได้เห็นเป็นอารมณ์ของฌานจิตโดอยอาศัยอุคานิมิตที่ได้โดยภาวนานในหลาเป็นดวงกรสินส่วนในเมตตาเนี่ยไม่มีปฏิภาคานิมิตปรากฏเหมือนกันอย่างอื่นทั้งนี้ท่านอธิบายไว้บอกว่าบริกรรมนิมิต คือนับตั้งแต่การเริ่มแผ่เมตตาให้แก่ตนเองก่อนเป็นต้นจนถึงเวรีบุคคลโอกาสนิมิตก็คือนับตั้งแต่เมตตาจิตให้เกิดขึ้นทั่วไปในบุคคลทั้งสีจ่จำพวกแต่ยังไม่ถึงขั้นสีมิสัมเพสส่วนปฏิภาคคนิมิตคือสำเร็จถึงขั้นสีมิสัมเพสแล้วโอกาสนิมิตและปฏิภาคานิมิตของเมตตามีลักษณะที่เป็นไปโดยอ้อมคือเป็นกรรมฐานที่ใช้ใจอย่างเดียวคือใช้เป็นการแผ่เมตตาแบบบริกรรมเป็นต้น เมื่อคล่องแคล่วจำได้ขึ้นใจแล้วก็ระลึกไปในจิตของตนเองแล้วก็ระลึกแผ่ไปโดยอาศัยการเห็นและการกระทำของการเจริญกรรมฐานฉะนั้นอุคานิมิตและปฏิภาคานิมิตเนี่ยจะไม่มีโดยตรงนะบริกรรมภาวนาในขณะที่บริกรรมว่าอเวโรโหมิอเวโรโหต่เป็นต้นเหล่านี้เป็นไปโดยอัตตาบุคคลปิยบุคคลมัชตาบุคคลเนี่ยนะและเวลีบุคคลเรียกบริกรรมภาวนา อุปจารภาวนาก็ขณะที่กําลังแผ่เมตตาไปในหว่างที่ว่าได้อุคานิมิตจนถึงขั้นสีมะสัมเพทะก็เทียบกับกับปฏิภาคคณิมิตเสริมอัปนาภาวนาก็คือเป็นรูปฌปานจิตที่เกิดขึ้นเรียกว่าอัปนาภาวนาสามารถทําปฐมฌานเป็นต้นได้เกิดขึ้นในขณะที่เจริญหรือแผ่เมตตาสีมะสัมเพฒมีลักษณะดังที่แสดงแล้วที่บุพภู้บรรลุเนี่ยจนจัดว่าเป็นปฏิภาคคณิมิตทั้งนี้ โดยมีลักษณะอาการคล้ายกับปฏิภาคกกติมิตในกรรมฐานอื่นเพราะว่าเมื่อผู้ปฏิบัติเนี่ยเจริญเมตตาจนสําเร็จถึงขั้นสีมัสัมเพสโดยที่เหตุที่ภาวนามีกําลังแล้วเนี่ยนิวรณ์ทั้งหลายการมชันท้พยาบาทีนมิท้าอุเทจกักขุกุจจาวิจิกิจชาก็ก็สงบระงับไปถูกข่มไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นส่วนในขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเอ่อเจริญไปตามเมื่อได้ เมตตาแล้วกําลังช้ากําลังสมาธิดีแล้วการแผ่เมตตาจากได้สีมาสัมเพทะแล้วเนี่ยจะสามารถแผ่ไปในบุคคลสีจําพวกมีความสมดุลกันแล้วก็แผ่ไปโดยความเจาะจงและโดยไม่เจาะจงเขาเรียกว่าอนโนทิสาปราณาเมตตาโอทิสาปราณาเมตตาเนี่ยอนโนทิสาปราณาเมตตาก็คือการแผ่ไปโดยไม่เจาะจงแผ่ไปในสัตว์ที่มีปานะภ <c oughs> ูตะบุคคลและผู้ที่มีอัตาภาพที่เนื่องในอัตภาพเนี่ย อทิสาปรณาแผ่ไปโดยเจาะ จ, จงคือแผ่ไปในสตรีในบุตรเป็นพระรยเจ้าพระรยชนเทวดามนุษย์และสัตว์ที่เป็นวิญิบ อ, อบปาติกะส่วนที่สาภารานาเมตตาแผ่ไปในสัตว์ในปานะผู้ตะบุคคลผู้มีอัตภาพสตรีบุตรพระริยเจ้าอนารยชนเทวดาหรือมนุษย์และสัตว์ที่วินิบอบปาติกาในทั้งสิบทิศทิศ ต, ตะวันออกทิศ ต, ตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศ ต, ต, ต, ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนเนี่ยแผ่ไปอย่างเนี้ยให้ละเอียดการแผ่ไปโดยไม่เจาะ จ, จงโดยการห้าอย่างยกตัวอย่างหน่อยนะสัพเพสัตสตาเวลาปยาปัจญานิคาสุขีอัตตานางปริหารลันตุเนี่ยขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์จงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนอยู่เถิดเนี่ยนะ สเพปานาเวลาพยาประชานิคารสกียตานางปริหารันตุขอปานะสัดที่เนื่องด้วยลมปานทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์มีความสุขรักษาตนอยู่เถิดสเพปูตาเวลาพยาประชานิคาสุขียตานางปริหารันตุขอพูดทั้งปวงสัดที่เนื่องด้วยขันห้านี่แหละจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์มีความสุขรักษาตนอยู่เถิด สเพปุกคราเวลาัรยาปชานีคาสุขียอัตานางเปริหาลันตุขอบุคคลทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์มีความสุขรักษาตนอยู่เถิดสเพอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาปรยาปชานีคาสุขิ้อัตานางเปรหาลันตุขอผู้เนื่องด้วยอัตภาพทั้งปวงสัตทีเนื่องด้วยอัตภาพและขันธ์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนอยู่เถิดเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เจาะจง ถ้าเจาะจงเนี่ยจะพูดถึงเจาะจงเลยเช่นตัว อ, อย่างเช่นสัพเพอิทยยิยาอิทิโยอเวลาพยาประชานีคาสุขี้อัตตานางปริหานตุนีขอสตรีทั้งหลายทั้ง ป, งป ว, ว, ว, วจ ง, ปวป ง, ป ง, ง, ปงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์มีความรักมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดแผ้สตรีเลยนี่กเจาะจงสัพเพปุริสาเวลาพยาประชานีคาสุขิ้อัตตานางปริหานตุนีขอบุตรทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์ มีความสุขรักษาตนอยู่เถิดนไนี่เจาะจงสเพอริยาเวลาปยาปัญชานิคารสกีอัตานางปริหารันตูขอพระอริยชนทั้งหลายทั้งปวงนี่แผลพระอริยนะจงเป็นผู้มีความสุขจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์มีความสุขรักษาตนอยู่เถิดสเพอนริยาเวลาปยาปัญชานิคารสกีอัตานางปริหารันตุขออนาริยชนบุคคลที่ไม่เป็นอริยทั้งปวงนี่แหละ จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดสภเพเทวาเวราอัพยาปชาเนคาสุขีอัตานางปริหารันตุขอเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงเลยจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดสัพเภมนุษย์ษาเวราอัพยาปชาเนคาสุขีอัตานางปริหารันตุขอมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่ม ok ีทุกมีความสุขรักษาตนอยู <c uk <c uk ่เถิดนไ ประการสุดท้ายก็สัพเพวินิปาติการเวราภยาปชาเนกาสุขิอตานางังเบเรลันตุขอวินิปาติกาทั้งหลายสัตยพุทโตขึ้นหรือพวกอบายภูมิทั้งหลายนะจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์มีความสุขรักษาตนอยู่เถิดเนี่ยเรียเจาะจงกับไม่เจาะจงเมื่อกี้เจาะจงที่ผ่านมาไม่เจาะจงแล้วต่อไปก็แผ่ไปตามทิศ ต, ต, ต่างๆโอ้โหยาวเลยเลยไปตามดับ ต้องการรายละเอียดไปดูในกระีวิสุทธิมรักษ์นะไอยูในกระี่วิสุทธิมรักนี่ที่พูดมาทั้งหมดนี่เป็นการเจริญเมตตาเจริญเมตตาสงสัยอะไรไหมทํายากไหมนี่คือวิธีการเจริญเมตตาเพื่อให้เกิดความราบซึ้งให้สภาพจิตที่อ่อนโยนนี่เราก็รู้อย่างคร่าวๆเอาไปฟังบ่อยๆนะเอาไปฟังทบทวนแล้วทบทวนอีกแล้วจะเป็นประโยชน์ แก่การที่จะสามารถจเจริญเมตตาได้จริงๆดงนั้นเมตตาเนี่ยสามารถจเจริญในขั้นต่ําสุดๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยที่เกี่ยวข้องกันทางด้าน ก, น ก, นกายกรรมวจิกรรมโนกรมนรมที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ด้วยกันเนี่ยจนสามารถแผ่เป็นไปตามลําดับแล้วก็เข้าถึงเมตตาชา้นได้ด้วยก<อ>็สามารถระงับกิเลสคือการปชันท่พยาบาทีนะมิท่าอุทจกกักขุกจัวิจิกิจฉาได้นี่คือขั้นตอนในการเจริญหรือการฝึก มีใครสงสัยอะไระั้มเคยทำไหมเคยไปฝึกกันไหมลองไปทำดูเลยนะแพ่กันจริงจริงจรงเลยฝึกทำยากไหมคิดว่าเออเอาไปทำเนะี่ยแล้วดูสภาพจิตจะอ่อนอยู่ถ้าแผ่ถึงเมตตาได้แล้วเนะียจะสามารถทำให้บริเวณเนี่ยไม่ว่ามนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายจะรักกันถ้าใครแพ่เมตตาชาเนี่เกิดได้ ในนั้นจะไม่มีคารขัดแย้งกันเลยแม้เทวดาทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณเหล่านี้ทั้งหมดจะ ก, กลมกลืนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแผ่ไปในมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายก็จะรักกันในปัจจุบันนี้คนไม่ค่อยได้กำลังของเมตตาตัวนี้มันถึงมีปัญหากันเยอะทุกวันนั้ น, นพวกเราทำหน่อยฮะทำสังคมให้สงบร่มเย็นหน่อยทำภายในให้สงบราบคาบก่อนแล้วก็สามารถแผ่เมตตา ไปกินบริเวณกว้างถ้าใครเข้ามาในบริเวณนี้โหเจอพลังเมตตาแล้วสงบเย็น <c oughs> ใช่ไหมน่าเป็นน่าทำไหมอาการอาการที่บอกว่าเครียดทั้งหลายอาการงุดยีดทั้งหลายอาการนอนไม่หลับทั้งหลายหายเลยน่าทำไหมเล่าไปทำนะฝึกจริงจยังๆั ง, ง, ง, งดูสักทีในบรรดาเนี่ยทำเมตตาให้เกิดขึ้นือฝึกในชีวิตประจาวันก่อน ฝึกกให้เกิดขึ้นให้คิดถึงอะไรก็ให้เมตตาไปให้ความรักความปรารถนาดีกว่าเพื่อหน้าทำนะนะเอาเลยเดี๋ยวอาจารย์จะคอยดูผลของเมตตาที่พวกเราทํำว่ามันจะออกมาเป็นรูก ป, ประธรรมออกมาได้ชัดเจนแค่ไหนเน่ยสมณเณรบอมทําก่อนก็นลองแผ่เมตตาเอามันเกิดขึ้นได้อย่างนี้แท้จริงเนี่ยอะไรสมควรเกี่ยวเวลา